เมื่อวานพวกคณะโยมทางปูก้อนพวกช่างนะพวกช่างแกะสลักเขามาหาหลวงพ่อพอหลวงพ่อพูดก่อนหน้านี้บอกเอยเห็นรูปเหมือนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นจมเดชพระสังคราชที่เจดีภูก้อนดูแล้วก็เขาแกะสลักได้ดีเราก็เออ ถ้าเป็นไปได้หลูมเหมือนเอาม้ไว้ที่วัดของเราสักสองสามองค์ก็ดีเหมือนกันมั้งฮหก็เลยพูดๆไปเขาก็เลยให้ให้ขึ้นไปดูเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็เลยขึ้นไปดูตอนเย็นขึ้นไปดูลูกหลวงตากับหลวงพ่อชาลีที่เขาแกะสลักเป็นหินอ่อนหินแองกอรา หินมาจากประเทศอิตาลีต่อดูแล้วก็ทำได้ดีมองดูแล้วทำได้ดีเหมือนกัดของมีคุณค่าแต่เหมือนไหมเหมือนหลวงตาไหมก็อย่างว่าเพราะรูปหลวงตาเนี่ยใครจะทำให้เหมือนเปียบยากเพราะเหตุใดเพราะรูปหลวงตามากมีหลายท่าทางมีหลายอากับกิริยามีหลาย จดส่งในองค์หลวงตาอริยบทหนึ่งท่านก็ทําแบบหนึ่งอริยบทหนึ่งท่านก็ทําอย่างหนึ่งแต่ก็คนคนเดียวนั่นแหะแต่นี้ผู้ที่เอามาปั้นไม่รู้จะเอาอริยบทไหนเข้าไปจ้เนี่ยมันเหมือนอริยบทหเหมือนรูปภาพรูปหนึ่งแต่ไป ม, มองรูปภาพอีกรูปหนึ่งก็ไม่เหมือนอีกแล้วจ้เนี่ยผู้ปั้นนี่ก็น มันต้องศึกษาในรายละเอียดพอสมควรเขาปันา่นเมื่อวานเนี่ยไปดูดูแล้วก็หลวงพ่อว่าประมาณ80เซเหมือนดวงตาประมาณแปสบก็ใช้ได้พอมองดูแล้วก็ยังยังวาดเดาได้ว่าเออคืออันนี้คือรูปดวงต า, าหุ่นของดวงตาลูกเหมือนดวงต า, าแต่บางครั้งมันพอมองดูแล้วมันดูไม่ออกอีกต่างหากแลย พอมองดูแล้วไม่รู้องค์ไหนต้องอ่านชื่อซะก่อนว่าเออเหมือนแต่ชื่อว่าหลวงปู่ล่าเหมกันหลวงตาพระหาบั u อ่านชื่อซะก่อนยังค่อยยังค่อยดูรูปออกอันนั้นก็มีแต่เยอะแยะนะแต่หลวงตาเมาื่อวานเนี่ยมองมองดูแล้วก็มีเขาโคง้งก็เนี่แหละประมาณแปดสิบเปอร์เซนหลวงพ่อเห็นแล้วเออแต่ถ้าหาว่าเป็นของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะต้องทํำให้ดีกว่านี้นะเออ ที่ไปดูเมื่อวานช่างมาจากที่ช่างแกะพระใหญ่ภูกรนน่ะเขามีทีมงานของเขาตอนนี้เขากำลัาางแกะอยู่แต่หลวงพ่อเออถ้าเป็นไปได้นะหลวงพ่ออยากจะได้สามองค์วาว่ะหลวงปู่มั่นองค์หนึ่งหลวงตามหาบัวองค์หนึ่งหลวงปู่ล่าองค์หนึ่งที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อที่เคยจเจรรษากับท่านนานระเบับ หลวงปู่มันเป็นต้นตระกูลพระกรรมฐานแล้วก็หลวงตาที่หลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตานานแล้วก็หลวงปู่ล่าแล้วก็น่าจะมีคุณแม่ชีแก้วด้วยสักโลบหนึ่งคิดคิดอีกเหมือนกันนะ เ, เป็นรูปแม่ชีพอหลวงพ่อก็มีประวัติเกี่ยวข้องอกับคุณแม่ตั้งแต่ยังไม่เกิดนะ ก็น่าจะมีคุณแม่ด้วยถ้าเป็นไปได้เพราะรูปแกะสลักแม่ชีเนี่ยคงหายากเหมือนกันนะแต่ไม่ชีเป็นพระหรหนะันน่ะก็นาทําเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์หรือเป็นเครื่องเชิดชูบูชาฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิงหลวงพ่อก็ยังคิ ด, คดเหมือนกันแต่ว่าราคาเนี่ยหลวงพ่อถามถามดูเมื่อวานนะ แต่ติก่อนหน้านี่ยเขาบอกองละเจ็ดแสนแต่ทีนี้เขาว่าเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหลวงพ่อจะเอาจะไปพูดกับคุณนริดูห้าแสนหลวงพอ่อแต่ถ้าว่าจะเอาหลายองค์ราคาก็จะลดลงเพราะว่าปั้นหุ่นเสร็จแล้วตัวองค์แรกเนี่ยแหะองค์ที่ปั้นหุ่นเนี่ยราคาจะแพงถ้าปั้นหุ่นได้แล้วก็องค์ที่หนึ่งแพงองค์ที่สองก็ถูกลงถูกลงแล่ว ผมันทำได้เร็วขึ้นบอกกันเราเอ อ, เออเดี๋ยวเราจะหาสมัครพรรคพวกดูใครวัดไหนที่สนใจเรื่องหินแต่ดูๆแล้วก็ถ้าทางด้านวัตถุแล้วก็ส่งคุณค่าทีเดียวหลวงพ่อไปดูเมื่อวานแต่ว่าห้าแสนแพงไหมถ้าเราทำไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้องวางไมตถูกนะเพราะเราทำไม่เป็น ตายเราทําน้อยสิบล้านยี่สิบล้านเราก็ทําไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะมันแ ก, แกะหินเนี่ยมันไม่ใช่แกะกล้วยใช่ไหมละ่ะถ้าแกะกล้วยยังค่อยยังชั่วแต่แกะหินมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยแต่เขาแกะได้ขนาดนี้ก็โหหน้าบูชาน้ําใจเขาอย่างมากๆก็น่าจะให้เขาซื้อรถปิดอัพคันหนึ่งราคาเจ็ดแปดแสนเลยก็ไม่มีใครกราบเลยเอาหลวงปู่ลงตามาตั้งขึ้นองมามีแต่คนมากราบเลย หลวงพ่อว่านซื้อรถปิกอัพมาไม่มีใครกราบเลยที่คนขึ้นขี่ท่านั้แต่พระพุทธรูปขึ้นรูปหลวงปู่หลวงตามานโอ้มีแต่คนยกมือไหว้กราบแล้วกราบอีกบูชาแล้วบูชาอีกนําลึกแล้วน้ลึกอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกบูชาบารมีขององค์หลวงตาคุ้มครองฮะหลวงพ่อว่าน่าจะเอาเอาไว้ที่วัดของเรามีพระพุทธรูปด้วยมีรูปเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วย ก็คงจะดีมากพราทพวกเราเตรียมเตรียมขายอย่างนะเตรียมค้าขายได้รวยๆนะ เ, เตรียมรวยๆเดี๋ยวมาสร้างพระลูกเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ร่วมกันแต่เสียปอหน่งเสียปอเขาขอแล้วนะอาจารย์ถ้าว่าหลอลุกลงแกะสลักลูกหลงตาเนี่ยผมขอถวายนะผมขอถวายลูกลงตา โอ้แพงได้ปอเว้ยเราได้ยินผิวเผยเนแต่เราก็ยังไม่ได้พูดอะไรแล้วแต่ว่าได้ยินเขาเจ็ดแสนนะมั้เจ็ดก็เจ็ดครับนเออเอาแต่นี้พอมาถามเมื่อวานห้าแสนนะก็คงจะลดลงให้คระมังแปลว่าลูกเหมือนลงตาเนี่ยคงจะเป็นปอชะละมั้งองค์อื่นเดี๋ยวหลวงพ่อจะหาเจ้าภาพอีกหลงปูมั่นนลย หลวงปู่มั่นลูกแก่ลูปกล ป, ปู่มั่นโอ้น้าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็หลวงปู่ล่าอีกเลยหลวงปู่ล่าเลยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดี๋ยวจะให้พวกพระใครมีลูกหลวงปู่ล่าท่าทางต่างๆเอามาให้หลวงพ่อก็ดีเหมือนกันนะในช่วงนี้พอหลวงพ่อจะได้รวบรวมเสร็จแล้วก็จะได้มอบไปเขาแต่นี้ไนดะ้ยังไม่ได้สั่งยังไม่ได้สั่งแต่ก็ปีนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ คังธนาคารธนาคารแตกระปีทนี่ทางหลังศาลาด้วยทั้ง<ม>เนี่ยรั้วตำหนักด้วยทั้งกุฏิด้วยบ้านสวนสอสอด้วยโรงพยาบาลสิบชั้นด้วยตึกหนีไฟแล้วเมื่อวานะยังมาขออีกบอกว่าโรงพยาบาลศูนย์อุดร เดี๋ยวนี้จังหวัดอุดรแล้วจังหวัดทางภาคอีสานของเรานี่โรคตับมีมากหลวงพอ่อพวกมะเร็งตับใบไม้ในตับอะไรพวกโรคตับเนี่ยท่อ ถ, ถุงน้าดีในตับเนี่ยมากเพราะนั้นอยากจะได้เครื่องผ่าตัดตับตัวเนี่ยราคาสองล้านแ้ว ก, ก็ต่อรองได้แล้ว ได้ประมาณล้านห้าเดือนมีนาเนี่ยขอหลวงพ่อเป็นตนหลักโดยเทินเพื่อจะหาผ้า ป, ป่าซื้อเครื่องมือตัวนี้เพื่อเอามาใช้ในอีสานเหนือของพวกเราพวกมะเร็งตับพวกโรคตับเดี๋นี้มันเครื่องมือมันผ่าตัดตับมันผ่าตัดไม่ได้เพราะตัดเข้าไปมันเลือดออกมากแต่เครื่องมือตัวนี้ผ่าตัดเข้าไปเลือดไม่ออก เออหลวงพ่อดีงเกินน่าสนใจอีกเหมือนกันเออเอาเอลับไว้พิจารณาเครื่องผาตัดตับถ้าใครไม่เป็นก็ยังไม่รู้จักคุณค่าถ้าพี่น้องปู่ย่าตายายญาตพี่น้องของเราเป็นเข้ามาแล้วก็เราก็ต้องวิ่งหาเครื่องมือเครื่องผาตัดตับ ดูแล้วราคาล้านห้าเนี่ย ก, ก็ยังไม่ถึงกับแพงฮนะก็น่าจะนํามาใช้ถ้าจะว่าบไปแล้วก็เนี่ยเราสร้างบ้านหลังหนึ่งราคาเป็นล้านสองสามล้านเราก็อยู่คนเพียงสองสามคนแต่ในซื้อเครื่องมือแพทย์เนี่ยดูพี่พิจณ า, าดูสิซื้อล้านห้าเนี่ยคนมาใช้บริการไม่ไม่รู้ ก, กี่ร้อยกี่พันคนมาใช้บริการแต่จะว่าคุ้มค่าไหมโอ้ คุมนะถ้าคิดในทางน้ําใจในทางมีเมตตาแต่ว่าคิดในทางขี้เหนียวก็ยังว่าเหมือนกันไปใช้ทำไมไปให้คนอื่นทาไมแต่คนอื่นตัวเองไปใช้คนอื่นไม่ว่าอะไรแต่คนอื่นจะมาใช้ของเราไม่ได้ถ้าคิดในแง่นั้นก็มันก็ไม่น่าซื้อฮแต่คิดในแง่กว้างขวางแบบลุงตาคิดเนะี่ยช่วยเหลือชมุมชนสังคมประเทศชาติน อันนั่นควรจะซื้อซื้อมาแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนราคาเพียงลา้าน้าเดี๋ยวนี้ยังไม่มีทางอีสานเหนือนทางอีสานของเราเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือพาตัดตับตัวนี้พอมันขึ้นมาใหม่บางใหม่แล้วก็ อ, อาจจะเอามาใช้ทางอีสานของเราโรคตับเยอะเนี่ยถ้าถ้าหลวงพ่อไม่วาย คลังแตกจะว่าอะไรเถอะเนีแล้วก็วันพุ่งนี้จะมีประชุมอีกเถนี่วันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดทางสมเด็จวัดบวรสมเด็จพระวรรณรัตนัดประชุมที่ศาลากลางจังหวัดอุดรเวลาบ่ายโมงจเจ้าคณะภาคแปดเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอประชุมกันที่ศาลากลางเพื่อหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ตึกสมเด็จพระสังฆราชแต่ในิสิตาไม่จริงกระบอกบอกอยู่ในนั้นบอกว่าเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเออทำไมถึงมาหาหลวงพ่ออินตัวก็ไม่รู้จดหมายเลย จ, จดหมายหลวงพ่ออินไม่ได้เป็นเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอําเภอเลยไม่ถึงเจ้าคณะอำเภอแนละเจ้าคณะจังหวัดเออแล้วก็ไปชุมกันที่ศารกลางอหลวงพ่อจะได้นั่นแหะจะต้องได้เข้าไป หือว่าอันนี้คือคือสมเด็จพระสังฆราชเนี่ย ค, คือถือว่าเป็นปู่เป็นทวดของเราเราจะไปมองข้ามก็ไม่ได้ถ้าไม่เจ็บใครได้ป่วยก็คงจะเข้าไปฟังเหมือนกันคงจะไปร่วมหาทุนให้ถวายองค์ท่านเหมือนกันนี่แหละอันนี้แหละคือสาธารณะสาธารณะที่ช่วยเหลือสาธารณชนแต่ถึงยังไงก็ตามนะพวกเราท่านทั้งหลายการเสียสละเรื่องการทําบุญ มันเป็นประเพณีของพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธเจ้าพระราหันตสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ น, นี่ยนะทานศีลภาวนานอะรนี่แหละเป็นหนทางที่จะเดินไปสู่มรรคส่ผลต่อไปภายภาคหน้าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าที่เราได้ตัดจรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็โดยอานิสง์ทานเนอะไม่ใช่อย่างอื่น ทานนะเป็นพื้นฐานฮนี่แหละอันนี้ก็คือแต่ว่ามาถึงทุกใดสมัยใดอยู่กับบุคคลใดมันก็มีบางทีร่ำรวยแต่ไม่ทำบุญก็มีตรงพ่อได้อ่านในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรมเป็นลูกเศรษฐีนะเป็นลูกหัวปี ของตระกูล อ, อยูใกล้กับกรุงราชาคฤห์นาระกะนะถ้าจะพูดเป็นภาษาของเราอะอยู่ที่เมืองนานกะนะอยู่ที่ตำบล น, นานกะนะแต่ตามไม่จริงเป็นภาษาบาลีทั้งนานาลกะนะนา ร, ะ ก, ะนานาระกะอยู่ใกล้ใกล้กรุงราชาคฤห์นะพระชายาบุตรเป็นลูกชายหวัวปี ของตระกูลแต่มีพี่น้องด้ยกันเจ็ดคนทั้งหญิงทั้งชายพระเลวะตะในเป็นลูกคนสุดท้องแต่แม่พ่อแม่เป็นมิตรสาทิติแต่ท่านไม่กล่าวถึงพ่อนะมีแต่กล่าวแต่ถึงแม่แม่เนี่เป็นคล้ายๆว่าคนทาํามาค้าขายน่าคงจะเก่งมากนะีแต่ทนี้ท่านก็ประชาริบุตรได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าไปบวชนะสําเร็จเป็นพระอรหันต์อัครสาวก ของพระพุทธเจ้าจากนั้นพ่อน้องๆทางหลายจะขอลาแม่บวชไม่ได้ไม่ได้ไมไดแม่จะไม่ให้บวชภาษาริบุตรก็บอกว่าแม่ของผมพ่อของผมเนี่ยเป็นมิตรสาธิฐิจะไปลาเนี่ยไม่มีทางที่จะบวชได้ให้มาลาผมเถอะนะผมเนี่ยเป็นพ่อแม่ทางธรรมของน้องๆผมเป็นตัวแทนพ่อแม่ทางธรรมของน้องๆออผมอนุญาต ท่านน้องๆผมอยากจะบวชผมอนุญาตนะผมเป็นพ่อแม่ทางธรรมแต่ผมไม่ได้เป็นพ่อแม่ทางทางให้กำเนิดภาษาเรบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญาท่านฉลาดใชเพราะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกเออพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรท่านบอกไว้แล้วว่าน้องๆของท่านถ้าอยากจะบวชก็บวชได้เพราะท่านอนุญาตจะให้บวชแต่จะให้แม่อนุญาตพ่อแม่อนุญาตไม่มีทางคะ เพราะนั้นเอาบวชเพราะนั้นน้องชายน้องสาวภาษาลิบุตรเนี่ยโอ้โหเป็นพระอรหันท์ทั้งหมดเลยเออแล้วก็เป็นมุขผู้มีชื่อเสียงทั้งหมดได้รับเอตตะเคะพมันตนีเออคือว่าน้องภาษาริบุตรเนี่ยือถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะเออแล้วก็องค์นึงเกิดเรวตะนีะแน่นอนอนะสัมเนธเรเ ว, เวตะนะได้สําเร็จพาระอรหันต์ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะ ตอนนี้ะกูลหรือ บ, บ้านของภาษาเรือบุตรเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยมีแต่แม่อแม่รวยได้มีทรัพย์ตั้งแปดสิบโกรดโกดหนึ่งก็สิบล้านใช่ไหมหมื่นแสนล้านโกรดแปลว่าสิบล้านโกดหนึ่งแปลว่าแปดสิบแปดสิบโกดเนี่ยพวกเราก็เอาสิบขูณเข้าไปเลยสิบล้านขูนเข้าไปเลยเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินแท้ๆได้แต่เนี่ยไม่ใช่เงินกระดาษอย่างทุกวันเนี่ย เป็นเงินแท้ๆขนใส่เกวียนมาเป็น4ี่ร้อยห้าร้อยลั อ, อ่ะไม่ใช่ธรรมดาเก็บไว้แปดสิบล้านนะไหนว่าจัดว่าเป็นเศรษฐีในกรุงราชรีคือแต่พี่น้องบวชมดพระสารีบุตรพาบมดจะไปยินดีอะไรเงินก็คือสมมติขึ้นมาท่านเองมันตัวเงินแท้ๆมันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นเงินเราเป็นคนให้ความสำคัญมันมันจึงเป็นเงินพระสารีบุตร ท, ทาสาคัญกว่า ตายแล้วเอาไปด้วยไปได้เนยะเงินไปไว้ที่ไหนเพลเผลท่าว่าเราถ่าว่าเราใช้ไม่เป็นเพลเราตายแล้วยังไปเป็นเปรตเฝ้าเงินกองนั้นอีกต่างหากเราจะให้ความสําคัญกับเงินทําไมให้ความสําคัญในใจของเราประเสริฐกว่าอันนี้คือพระลนะหันท่านท่านคิดอย่างนั้นแต่พุทุชนน่มีแต่กอดเงินแต่พระลนะหันท่านท่านไม่ได้มองเงินเป็น ที่พึงนะตอนนี้ก็แม่ของท่านกับมดลูกทั้งเจ็ดคนบวชหมดแม่กับอายุแก่มากแล้วตอนีอ้บริหารจัดการกับบริวารวันหนึ่งภาษาเล่บุตรท่านคงจะคิดไปโปรดแม่ของท่านท่านแต่ไปบินทวารที่อื่นก็คงจะได้ขนาดพระธรรมเสนาโพธิแล้วจะไปที่ไหนจะไม่ได้แต่นี่ก็มีท่านก็มีบริวารตั้งห้าร้อย พระติดตามภาษาลิบุตรห้าร้อยท่านก็นเลยเดินไปพาพระบริวารไปห้าร้อยไปไปที่ประตูบ้านแต่จะท้าวว่าเป็นพระอย่างวัดเราเนะ่ยทุ่มๆตำตๆหลวงพ่อพาไปลูกน้องยังเกยๆเกยกลางกงเงือกกกลงหนึ่งคงจะไม่ได้ฉันจังหันหลวงพ่อว่านะพระตั้งห้าร้อยขนาดนั้น อ, อันนี้พระห้าร้อยเนี่ยคงจะเพียวพอพ อ, พอมควรคงจะไปไปไป พอไปถึงหน้าบ้านของของของแม่พระสารีบุตรแมก่ก็เห็นลูกชายพอเห็นลูกชายก็นในใจในกันเนี่ยไม่พอใจอย่นั้นก็เลยบอกอาไปนิมน์ขึ้นมาฉันในบ้านนิมมอนพระทางบริวารจัดอาสนะที่นั่งให้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรท่านก็ขึ้นเป็นประธานขึ้นไปฉันอาหารที่บ้านแม่ ก็ตักอาหารมาเอาข้าวมาเอาอาหารมาแม่ก็ทั้งจมทั้งบนทั้งว่าทั้งดาให้อีกตัางหากเออคงจะไปหากินที่อื่นไม่ได้เนอกจึงค่อยมาเออไปหากินที่อื่นนี่แหละไปหากินข้าวที่ดีๆเขาคงจะกินไม่ได้คงจะข้าวติด ก, ก้นกระ บ, บวยของเขานะ่ะจึงเอาให้กินพระเหล่านี้บวช ด, ดูทําไมทําให้เราจีบหาย ลูกๆ ก, กันนี้ไปบวชหมดพี่ชายน่าจะดูเป็นหลักให้แก่น้องๆดูแลทรัพย์สมบัติเงินต่างเยอะแยะทั้งแปดสิบกันนี้ไปบวชเอากินซะทั้งให้ทั้งดา่าภาษาลิบุตรลูกชายพระษาลิบุตรก็เฉยเหมือนก็ไม่มีหูมิดไม่มีหูมีตาลักษณะนั้นแม่ดา่าแม่ดา่าตพระหาร้อยเหตุมา ผลิวันทั้งห้าร้อยอีกตั้งหากเหมือนกับหลวงพ่อนี่ยขนาดคันแม่มากรมาดาหลวงพ่อเนี่ยาาพระทั้งยี่สิบองค์หลวงพ่อก็อายยิ่งอีสิแม่ละอนี้ทั้งพระทั้งห้าร้อยเลยทั้งตระกูลเศรษฐีก็มีพรามณ์ก็มีกษัตริย์ก็มีที่เป็นลูกน้องของภาษาริบุตรเนีแม่กัมาดาต่อหน้าพระเหล่านั้นเอากินซะจากนั้นกับเอาถวายพระ อ, องค์อื่นนีิพวกท่านทั้งหลายนี่ยนะใช้ลูกชายของข้าเนี่ยเป็นขี้ข้า เป็นผู้รับใช้ของพวกท่านพวกท่านเนี่ยเห็นไหมใช้ลกชูกชายของข้าสารีบุตรท่านสารีบุตรหวานยกจองอย่างนั้นยกจองอย่างนีน้ที่แท้มันเป็นคี้ข้าพวกท่านเอากินซะด่าเป็นทดอดๆอย่างนั้นะยายแก่ด่าด่าภาษาลิบุตรแล้วยังด่าพระห้าร้อยอีกต่างหากจากนั้นเสร็จแล้วกบบภาษาลิบุตรให้คงจะไม่ได้แห่พรมั่งหรือาพ่อแม่ด่าเปลวแรงนะแม่ให้พรเปลวแรงนะ ท่านก็นรีบรีบรบฉันหน่อยพอฉันเสร็จแล้วก็พระห้าร้อยท่านก็นพานํากลับวัดเลยไม่ได้ยินว่าท่านให้พรอะไรนะพอเสร็จแล้ววไปให้พรอย่างไงใช่ไหมคนหนึ่งดา่าจะไปให้พรได้ยังไงออรีบฉันรีบจบรีบออกมาวัดป่าเชตตะวันพอมาถึงวัดป่าเชตตะวันแล้วพระราหุลเน่ยพระราหุลหนึ่งคือลูกพระพุทธเจ้านั่นแหละจำเนรลาหุลน่ยเป็นลูกพระพุทธเจ้า แต่ภาษารีบุรเป็นพระอุปชาเป็นพระอุปชาบวชให้พระราหุนอนนี้พระาหุนก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนฉันยังหันเสร็จพระพุทธองค์ก็ถามว่าราหุนมาจากไหนเนี่ยพระราหุนก็บอกว่าข้าพระองค์ไปฉันที่บ้านญาก็ครับผมเออพระาหุนก็เรียกเรียกแม่ภาษารีบุรว่าเป็นบ้านญาติเไปฉันที่บ้านญาก็ครับผมเะเป็นไงญา พูดอะไรดีไหมพูดอะไรดีไหมกับกับสาริบุตรกับพวกท่านทั้งหลายโอโ้วันนี้ย่าด่าก็ผมพระราหู่นว่ายาา่าด่าเขาผมเออเนี่ยท่านว่ายังไรพระพุทธองค์ถามท่านว่ายังไ ง, ท, ง, ไงท่านบอกว่าเนี่ยทำให้ตระกูลเราจิบหายไปบวชบวชแล้วเนี่ยเงินตั้แปดสิบโกดไม่มีใครดูแลเลย อคงจะหาที่กินที่อื่นไม่ได้มบ้างเลยไปขอที่อื่นไม่ได้เลยจะมากินที่นี่มาขอที่นี่ไปขอที่อื่นมีแต่เขาให้กินข้าวติดก้นกระบวย y น่ะที่ตักตักข้าวต้มนะอันนี้เอากินซะอหาที่อื่นกินไม่ได้ยังค่อยมาที่นี่ไปจะนักดาพระอีกต่างหากไปเจ้าพานี่พพระพุทธองค์ถามว่าเป็นไงขณะที่ย่าดานเะเอย อุปชาของเธอนะสาริบุตรท่านโกรธไหมไม่โกรธเลยพระเจ้าข่าท่านอาจารย์ประอุปชาของกับผมนิ่งเงียบไม่แสดงอากับกิริยาให้เห็นว่าท่านโกรธอะไรเลยท่านนิ่งเฉยจากนั้นก็พอจันทร์เจ็ดท่านก็กลับวัดเลยกับผมแต่นี้พระสงฆ์ก็ได้ยินพอได้ยินก็มาสนทนากันมาพูดกันเลยบอกโอ้หน้าอัจฉรย์ ขนาดแม่ด่าตกหน้าพระสงฆ์ขนาดท่านท่านสารีบุตรยังไม่หวั่นไหวเลยอย่างเง่งเงียบพระพุทธองค์ก็เลยเสด็จมาอีกว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ฝึกตนดีแล้วสำรวมกายวาจาดีแล้วสำรวมใจของพระองค์ดีแล้วท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพรามแล้วไม่มีการหวั่นไหว ถึงจะมีโลกกระทํแปดเข้ามากระทบกระแทกกระทั่งมาจากทิศไหนก็ตามถึงจะหนักหนาขนาดไหนก็ตามสารบูตรนี่ยไม่หวั่นไหวเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเหมือนกับหินที่ฝังลงไปในดินหินแท่งที่ฝังลงไปในดินฝังลงไปถึงสองเมตรฝังลงไปสักสองวาผพ้นดินขึ้นมาวานหนึ่ง ถึงลมจะมาในทิศทั้งสี่มาทิศไหนก็เถอะหินแท่งนั้นก็ไม่หวั่นไหวนี่ก็เหมือนกันพระหันจะไม่หวั่นไหวโดยโลกธรรมด้วยการดุด่าว่ากก่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ท่านยกย่องพระสารีบุตรนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายนะไปนักสถานที่ใดใครด่าใครว่าน้อยๆกับมาหลองงองแ ง, ง เหมือนกับตีหางูเห่าไม่ได้เลยชูคอไม่เตจะฉ ก, กจะ ก, กัดเขาไม่ได้ต้องใจให้ น, นิ่งเหมือนภาษาลิบุตรเนี่ยขนาดแม่ด่าต่อหน้าพระทั้ง500ห้าร้อยภาษาริบุตรยังไม่แสดงอากัปกิริยาให้ลูกน้องเห็นเลยเออช่อเออแม่ด่าแต่ก็แม่ภาษาริบุตรเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐินะแต่ภาษาริบุตรกับพยายามพยายามที่จะ สอนพยายามที่จะโปรดนี่แหละลูกที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นถึงแม่จะดุด่าว่ากล่าวอย่างไงขนาดไหนก็ตามถ้าลูกที่ดีแล้วก็อย่าไปสนใจมีแต่เอาแต่คุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเป็นกระทบกระเทือนทั้งด้านจิตใจจะไปอยากไปพูดเอาแต่สิ่งที่ดีสงเคราะห์ในสิ่งที่ถูกต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์แต่ภาษาละเอียดท่านกคนนะี้ในมโนพระพุทธเจ้าไปฉันอในบ้านดังที่แม่ เขไม่ศรัทธาแต่ถึงยังไงถ้าลูกไปแล้วแม่ก็ต้องต้อนรับแต่นี่กับในมลพระพุทธเจ้าไปไปฉันที่บ้านพอพระองค์ไปก่อบริษัทบริวารก็มาห้อมล้อมมานั่งพระสงฆ์ตั้ลายกว่าห้าร้อยองค์โมกคราสารีบุตรก็ไปพระโมกคลาก็เป็นลูกเศรษฐีในเมืองนั้นเหมือนกันเป็นเพื่อนกันเป็นตระกูลคู่กันโมกคลากสารีบุตรเป็นเศรษฐีด้วยกันถึงแปดิบโกรเหมือนกัน แต่ก็บวชด้วยกันนะแต่แม่พระพุกาลานโหดูร้ายของแม่ของพระสารีบุตรอีกเลแต่แตอนนี้พระสารีบุตรนี่ท่านมีปัญญาก็พยายามสอนแม่ของท่านในมณฑปพระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านแม่ของท่านก็อนพอมาถึงนแม่ของท่านไม่ถวายอาหารพระพุทธเจ้าเลยถวายองค์อื่นพระพุทธเจ้าก็นั่งนั่งเป็นประธานอยู่เป็นหัวแถวอยู่นะ แต่ตามไม่จริงเจ้าของบ้านนะ่ยเวลาจะถวายอาหารได้จะถวายสิ่งของอนะไรเขาก็ต้องเลงไปที่ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยจะต้องถวายกับพระพุทธเจ้าจึงจะถูกนะแต่นี้แม่ของภาษารีบุตรเจอไม่ได้มองพระพุทธเจ้าุถวายองค์อื่นต่อไปแต่นี้พระสงฆ์ที่นั่งตั้งห้าร้อยองคนะ์เห็นก็แปลกใจเออทําไมแม่ของภาษารียบุตร แม่ของพระอัครส า, าวกทั้งที่พระพุทธเจ้าเจเดกมาถึงบ้านถึงขนาดนี้นับจะถือว่าเป็นมงคลหมหามงคลถึงจะพอใจไม่พอใจขนาดไหนก็ไม่น่าจะแสดงออกอย่างนี้อันนี้เห็นแสดงออกอย่างชัดเจนเลยไม่ได้ถวายไม่ได้อังคลาดไม่ได้ถวายอาหารพระพุทธเจ้าไม่ได้ถวายอะไรเลยถวายองค์อื่นไปดูดูแล้วมันยังไงยังไงนะพวกท่านทั้งหลายคิดว่ายังไงฮะอันนี้แหะคือพระสงฆ์มองเห็นแล้วก่อนํามาสนทนากัน พระพุทธองค์ก็จะเด็ดมาดเลยพวกท่านทั้งหลายสนทนากันเรื่องด้วยเรื่องอะไรด้วยเรื่องแม่ของภาษาลิบุตรและพระพุทธองค์พระเจ้าขา่าพระพุทธองค์ไปไปฉันที่บ้านแต่แท้แม่เป็นแม่อัครสาวกอีกต่างหากเวลาถวายอาหารยไปถวายองค์อื่นไม่ได้ถวายพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าขา่าพระพุทธองค์บอกว่ากรรมเก่านะเนี่ยพระพุทธองค์พอกว่ากรรมเก่านะ กรรมอะไรพระเจ้าค่ะถึงขนาดนั้นเนาะสมัยหนึ่ง เ, เราเป็นเกษตรกรเป็นชาวบ้านนอก เ, อเราทำไร่ทานาทำรัว้วทำสวน เ, เลี้ยงชีพแต่คราวนั้นเราเป็นเป็นหนุ่มใหญ่เราเป็นหนุ่มใหญ่คือเราไม่มีไม่มีเมียไม่มีครอบครัวอ า, อายุมากแต่นี่เ็เราทำไร่ทานาแต่วันหนึ่ง ช่วงหนึ่งเราไปถางไปถางป่าเพื่อจะปลูกปลูกข้าวปลูกมันปลูกอะไรที่เป็นทาเป็นสวนน่ะนะเราไปถางป่าแล้วเราก็เอาข้าวไปด้วยเอาข้าวไปกินกินเสร็จแล้วก็นั่นแหละเราก็ตีนี้เขาก็บอกว่ามีหมาตัวหนึ่งหมาตัวเมียนะไปที่ไหนหมาตัวเมียตัวนี้มันก็ตามไปตลอด เพอไอ้หนุ่มใหญ่ขยับไปที่ไหนหมาตัวนี้ก็ตามไปคนทั้งหลายโอ้ยไอเ น, นี่แนะหละแต่มันไม่มีเมียพมันเอาหมาเป็นเมียเห็นไหมเนี่ยมันไปที่ไหนหมาตามตลอดเนี่ยหมาตัวเมียเนะี่ยเห็นไหมเนยไอ้หนุ่มใหญ่เลยก็โกรธในใจเอาเลย <c oughs> มันทําไมมันมาตามเราวะเออมันทําไมไปที่ไหนมันก็ไปไล่เนี่ยก็แล้วตีมันแล้วก็แล้วมันก็ยังตามอยู่ บาดที้เอาท่าข้าไม่ให้มันหัวมันกินข้าววะท่านี้ก็พอไปถางเนี่ยไปถางป่าพอไปทางป่าเสร็จแล้วก็มีต่อมากับนมใหญ่เทยอยู่ด้วยกันสองตัวมากินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ให้หมากินเนี่ยหมากันน้ำลายไหลอยู่ข้างข้างน้องไปมันอยากกินข้าวเหมือนกันเนะ่ยน้ำลายไหลอยู่ข้างๆ้าไม่ให้หัวมึงกินละมึงทําไมมึงมาอยู่กับกูตลอดวะท่านี้ใส่ในกินเสร็จแล้วก็ห่อเสร็จแล้วก็ใส่ในถุงเราไปห้อยไว้ ออกไปห้อยไว้ต้นไม้นะไอ้ันนี้ยก็ไปทางป่าไปทางป่าต่อไปไอ้หมาตอนนั้นก็มันก็ไม่ได้กินข้าวก็นั่งเฝ้าถุงนั่นเองั้นเถอะนานเท่าไหร่ถุงมันจะหลดลงมาที่ว่านี่มันก็นั่งเฝ้าไม่ได้กินข้าวนะพระพุทธองค์บอกว่ า, วานี่แหละบาปกรรมตัว น, นั้นแหละเออหมาตัว น, นั้นแหละหมาตัวเมียตัว น, นั้นนี่แหละคือแม่ภาษาริบุตรเนี่นะพอเห็นเราเท่ไหร่คล้ายๆกับว่า มันขวางอยู่ในใจอยู่อออพอเราเราไม่ให้มันกินข้าวสมัยนู้นเละไม่ให้หมาตอนนี้นกินข้าวแต่พอมาชาตินี้เขาเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาก็ไม่ให้เรากินเหมือนกันอ่นี่แหละกรรมไม่ไปไหนดนะ้พวกเราเนี่ยจะไปหาคิดนะพกผู้ใดญยเจ้าท่านมองเห็นหมดเลยว่าจุดตูปปาปาตะยานเะนี่การเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านว่านกรรมของเรา ที่แม่สารีบุตรไม่ได้มาอ่งางพลาดไม่ได้มาถวายอาหารเราเนะี่ยไปถวายองค์อื่นเพราะอยู่ในใจมันเห็นนะมันขวางตาอยู่งั้นไม่อยากจะให้เหมือนกับเราไม่ให้อาหารหมายอย่างนั้นนะสมัยนั้นนะกรรมตัว น, นั้นแหะมันตามสนองเรานะเพราะนั้นใครก็ตามนะแต่เราไปอยู่นักสถานที่ใดถ้าเขากระแนกระแดงถ้าเขาอิจฉาเราถ้าเขาด่าว่าให้เรานะ่ะมันนก็คงจะอดีตกรรมของเรานะคงไปทําให้กับเขาไว้ เพราะนั้นเราจะไปโกรธให้เขาต่อเออเอายินดีโอโหสีไฮเดอร์อย่าไปจองเวรจองกรรมกันต่อไปจบจบจบจบจ บ, จบกันจบกันอย่าไปจองเวรจองกรรมกันอีกเดอ้ออย่างนั้นแหละถ้าเป็นได้อย่างนั้นอะดีมากอย่าไปโกรธโมโหโกรธาให้แกใครใครถ้าเราไปโกรธโมโหโกรธาก็เท่านั้นจะเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละกรรม กรรมคือการกระทํากรรมคือการกระทําถ้าดำสิ่งที่ไม่ดีไว้กรรมนั่นก็เออมันก็ตามสนองถ้าเราไปทําเวรไว้เวร น, นั้นก็เออมันก็สนองอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าไปทําเวรกับหมาเห็นไหมนะเออไปทําเวรกับหมาไว้ไม่ให้อาหารมันผลที่สุดก็นั่นแหละเออหมาธร น, นมันก็จองเวรอีกเหมือนกันเกิดพบใดชาติใดขอจะให้ฆ่าให้อาหาร กับขั้นกับดวงวิญญาณกับท่านต่อไปให้ห่างให้ขาดจากกันไปเลยนะมันคงจะคิดอย่างกันเหมือนกันนะตอนนี้แม่ภาษาลิบูตก็ยังดีนะอย่างโชคดีอย่างมากๆทกเลยเนี่ยพูดให้จบเสเลยนะกูบาจะฉันอาหารกับคุณจะหิวหิวอดอดสักหน่อยวันนี้พอพูดยังไม่จบแม่ภาษาลิบูนะตเทนี้แม่ภาษาลิบูตเนี่ยบั้นจุดท้ายท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบันเหมือนกันเลยอันนี้ก็ น, น่าแปลก ที่นี้ภาษาเรบุตรเนี่ยไม่ลดละความพยายามที่จะสอนแม่ของท่านให้สําเร็จมรรคสาเร็จผลท่านก็ห่วงท่านสงสารท่านคิดโอ้แม่เนี่ยทําไมเป็นมิจฉาทิฐิขนาดนี้หลงขนาดนี้เนอะแม่เนี่ยพวกน้องๆก็ได้สำเร็จเป็นพระหรหันธ์ทั้งหมดเลยทั้งเจ็ดคนอะยังเหลือแต่แม่เราจะสอนอยังไงเนี่ยอันนี้คือพี่ชายใหญ่เนี่ยมัต้องคิดแล้วคิดอีกเยจากนั้นท่านก็ อ, อท่านจะตายระบาด ภาษาลบุตรท่านจะปรินิพานนะแต่ท่านก็มองเลยบ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุแปดสิบปีท่านจะปรินิพานตามปกติภาษาวกทจ้องเป็นปรินิพานของพ ร, ระพุทธเจ้าเนด่ น, นการปรินิพานของพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้ยากเลยท่านมองออวิญญาณห น, นีออกจากร่างท่านนั่นแหะกายที่นี่จะทิ้งเน่ะเหมือนกับเราหนีออกจากรถอย่างนั้น่ะขับรถไปแล้วเออเอารถคันนี้ไปทิ้งไว้พงหญ้าไว้ อมันจะเกะกะไปทิ้งที่อื่นก็เกะกะเขาปิดทิ้งไปพงหญ้าพอเสียแล้วไปถึงพงหญ้าเลยก็เจ้าของก็เดินออกจากรถเท่านั้นแหละรถคณะก็อยู่ในพงหญ้านะเนี่ยปุพังไปเรื่อยเลยหมดอันนี้ก็เหมือนกันพระหันทิ้งธาตุขันเนะ่ยทิ้งอย่างนั้นนะพอพิจารณาดูแล้วเออหมดหม ด, หมดข้าจะไปแล้วนะทีนึงบิญญาณออกจากร่างปุ๊บท่านก็ร่างกายกขแปลว่าหมดสภาพแหละ วันนี้ท่านก็เออพระพุทธเจ้าจะป ร, ะระินิพานเราควรจะปรินิพานก่อนแต่ในภาษารล่บุตรก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าข่าพระองค์จะลาปรินิพานแล้วไปเจ้าข่าถึงการอันควรแล้วจิตจารปลาพระพุทธเจ้าเพื่อปรินิพานพระพุทธองค์ท่านก็รู้อีกเหมือนกันนะเอรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนพระองค์บอกเออไปตามการอันควรเถอะนะสาษาล่บุตรนะฮะ ไอ้ท่านก็ไม่ได้ห้ามท่านก็ไม่ได้ขอร้องอีกเหมือนกันไปตามการอันควรเถอนะสารีบุตรนะแต่เธอจะปริิพพานที่ไหนล่ะก็ผมจะไปปริิพพานที่บ้านแม่ก็ับผมเออไปเอาพระสงฆ์ทั้งหลายตามนะตามไปดูตอนนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นบุริษัตบริวารพระสารีบุตรเท่าไหร่อาจจะเกินห้าร้อยใช่ไหได้ก็ลุมไปลุมไปกัน แม่ภาษาไรบุตรงภาษาไรบูก็อายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วใช่ไหมล่ะแม่ก็ต้องเก้าสิบกว่าเลยตอนพอมาแล้วก็เห็นพระสงฆ์มามาแบบตุปปักตุเปย์ทรลักทุเลนะ่ะพันก็อายุมากแล้วแม่ภาษาไรบุูโอ้ลูกเอ้ยแต่สมัยหนุ่มๆก็ไม่มาเนาะจนได้ใส่ไม้เท้าสักไม้เท้าคางเกาะดินแล้วจะค่อยมาหาแม่เนาะจะมาเออยู่ครองสมบัติได้ยังไง ถึงขนาดนี้แหละแม่ก็ยังคล้ายๆก็ยังมันสมอ ง, อ ย, งยังยังคล่องแคล่วอยู่นะแต่นี่กับจะนอนที่ไหนจนะ่นะะจะพักที่ไหนเลือกมาเสียภาษาลิบุรวนะ่าห้องที่อาตมาเกิดห้องไหนอาตมาจะไปอยู่ในห้องนั้นละ่ะคือห้องประสูตรห้องประสูตรของภาษาลิบุตรนะคือแม่แม่คอลอดลูกอยู่ห้องนั้น่ะภาษาลิบุตรูดจะไปอยู่ห้องนั้นละ่ะห้องห้องที่แม่คอลอดลูกนั่นละ่ะ ที่อัตมาเกิดนั่นแหละแม่ก็จัดสถานที่เอาแล้วจัดพวกเขาก็เลยจัดพอจัดเสร็จแล้วพระสงฆ์พันธกัเขาเป็นนอนตรงนั้นเลยนอนนอนที่ห้องประสูตแต่นี้พระสารีบุตรขั้นก็บอกว่าหลีกทางอย่าไปนั่งขวางประตูอย่าไปนั่งบังประตูอคือให้แม่เนี่ยมองเห็นมองข้างนอกให้เห็นให้เห็นพระสารีบุตรนอนอยู่ นอนอยู่ในห้องห้องนอนห้องเกิดของตนเองแม่แม่เนะี่ยนั่งอยู่ข้างนอกบอกว่าภาษาลิบุตรป่วยป่วยอาการหนักแล้วแม่ก็เลยใจจดใจจอะแทอพระสงฆ์ก็นั่งนิ่งจูดบริเวณนะั่นเลแม่ก็มองเห็นลูกด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงถึงจะอายุมากก็ยังเป็นห่วงลูกอย่างสุดๆมัำว่าลูกคำนี้มันอยู่ในใจของแม่จะตลอด ถึงจะแก่ขนาดนะั้นก็คือลูกเห็นลูกป่วยฮะทีนี้พอตอนข่ำานะตอนหัวข่ำนะเลย พ, พระอินทร์พกเทวดามาโอ้แสงสว่างวดจ้าเข้ามามากาบระษาริบุตรพร้อมกับบริวารสีเขียวปัดดูแล้วโอ้สวยงามพอมากาบพอกาบเสร็จแล้วก็กาบลาไปเพราให้จะให้เทวดาองค์อื่นเข้ามา แม่ก็ถามว่าอันนี้เป็นขายลูกเนี่ยก็คงจะใกล้ๆนะนั่งใกล้ภาษาเรบูตรว่าอันนี้คือพระอินทร์พระอินทร์มากาบับแม่มาแสดงความเคารพโอ้โหลูกเนี่ยแกกว่าพระอินทร์ยศถาบรรดาศักดิ์กว่าพระอิ น, นทร์รพระอินทร์มากาบับขนาดนั้นเที่ยเหลือลูกใช่อาตมาเหนือกว่าเหนือกว่าพระอินทร์เหนือกว่าเทวดาโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาลูกของเราเนี่ยนะให้เข้าจิตใจทิฏฐิมานะที่ ตะกอนมษย์โวูบลงเลยเธอเนี้ยออ่อนยั่ลวลงเลยเธอเนี้ต่อมาพรมมากราบอยู่พรมโอ้โหแสงนวลสวยงามยิ่งกว่าเทวดายิ่งกว่าพระอินทร์อีกเธนี้เออเข้ามากราบแล้วก็กราบเสร็จแล้วก็พรพระสานบุตรจะปริพนิพานเนี่ยอพรมเข้ามากราบพอกราบเสร็จแล้วก็เอพรมก็ออกไปพรมออกไปเธอนี้แม่ก็ถามอีกอันนั้นมาเมื่อกี้นี่เป็นใครลูกทําไมสวยงามขนาดนี้ อันนี้เป็นพรมพรมพรมมากรอ๋ออพรมเนี่ยลูกนี่สูงกว่าพรมอสูงส่งกว่าพรมแล้วจะพรมได้มากราบใช่พรมเนี่ยเป็นลูกน้องพรมเนี่ยเป็นที่ต่ํากว่าแต่ที่พวกพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยทามพราหมณ์เนี่ยเขาถือว่าพรมเนี่ยใหญ่สูงสุดของพราหมณ์ตระกูลของพราหมณ์ก็คือพรมผมฤกข์แต่แต่ที่พรมได้มากราบพระลหารเองเนี่ย โอ้จะขนาดไหนโ อ, uh โอ uh ้ลูกของเราน um ี่เหนือกว่าพรมใช่ไหมลูกใช่อาตมาเหนือกว่าพรมอีกโอ uh ้โธ่นั้นน่แต่ไหนก็พอจิตพอแม่จิตใจอ่อนน้อมลงเถเอยอมรับเถอเนี่ยพอเห็นกับตาเลยเอภาษาริบุตประเทศให้ฟังแม่เอ้ยร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะแม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรให้เป็นสัมมาทิฏฐินะให้มีศีลมีธรรมนะ ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นสาระเป็นที่พึ่งนะให้มีศีลห้านะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งไหนไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดนะแม่นะให้เป็นสัมมาทิฏฐินะลูกนะแม่นะท่านก็ฟังภาษาริบุตรเทศจิตใจก็คอยตามท่านได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระโสดาบันในขณะที่อที่ฟังเทศลูกชายโยนจะสว่างแล้วนะ ภาษาลิบุตรเออยกแม่ขึ้นสวรรค์ได้แล้วข่าวเนี่ยเอ่ยกแม่ได้ขึ้นสวรรค์ได้แล้วขาว้านี้เอาละเราไปนิพพานได้ลนะท่านก็เลยเดือดดีดผึดด่งเลยทีนี้อย่างที่ว่านะเออเหมือนกับเอเอเารถไปจอดเสร็จแล้วแต่ก็เดินหนีไปเลยนนะีอยรถคณะก็จอดทิ้งไปเลยนี่แหละภาษาลิบุตรปรินิพานแตกแตกต่างกว่าภาษาอกทั้งหลายปโปรดแม่ของท่านจนวาระเฮือกสุดท้ายอ แม่ของท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันไม่ตกต่ำลแล้ว่นียเป็นผู้สูงขึ้นไปเรื่อยๆพระโสดาบันแปลว่าผู้ไม่ตกต่านะแปลว่าเกิดพบต่อไปกับอาจจะเป็นชาติเดียวชาติเดียวแปลว่าเอกรพีชีถ้าสามชาติเนี่ยโกลังโกระถ้าเจ็ดชาติเนี่ยชตุกตะพร ะ, มะไม่เกินเจ็ดชาติจะได้สําเร็จเป็นพระหรหันอันนี้ภาษาแม่ของภาษาลิพุดไม่รู้ว่า เป็นพรโสม ร, ระดับเกรดไหนทั้งสามเกรดเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดไว้ในพระไตรปิฎกนะจากนั้นพระสารีบุตรท่านก็ปรินิพานเออในห้องห้องเกิดของท่านห้องระสูิของท่านห้องคลอดลูกของแม่นะเนี่ยนี่แหละพระสารีบุตรจากนั้นเปรินิพานทีนั้นพระสงฆ์ก็ได้จัดการถวายสรีระประชุมเพลิงพระสารีบุตร น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือตั้งแต่ คนที่ผู้ใดผู้ใดก็าตามเป็นแม่ของเราเป็นพ่อของเราในที่ให้กำเนิดเราลูกพกเราทุกค น, นึควรจะคิดให้ดีเหมือนกันนะไม่ใช่แต่พ่อแม่ของเรานะแม่ของภาษาเรือบูดกันนั้นนะสุดโต่งเหมือนกันหเห็นไหมด่าลูกชายต่อหน้าพระห้าร้อยพวกทันทั้งหลายนีย่ได้คียขค่าดีเนาะฮเอเป็นผู้รับใช้ของชูเจ้าชูเจ้าก็ดีใจนี่นะ ทำให้ข่าจิบภายทรัพสมบัติทั้งแปบโกดไม่มีใครดูไม่มีใครแลร์เลยไม่มีที่อื่นจะกินแล้วจะค่อยเข้ามามาหามากินข้าวเอากินซะพวกสูเจ้ากินซะแบบให้แบบไม่แยแสเลยฟังฟังโถ้าทำไมหลวงพ่อเด็กทำ็มหลวงพ่อบกกินหดเขาบมดแล้วมือดันวันนีไปอันนี้ภาษาลิบบุดนี่เฉยนกน้องฉันข้าวเพิ่งค่อยพากลับ เอาละพอนะที่นี่นะ